กับสภาพที่มันมากระทบแต่ทุกอย่างมันอยู่ภายในกระบวนการของการรับรู้รับทราบคํานวณไว้ก่อนแล้วก็บอกตัวเองอยู่บอกว่ามึงก็คํานวณมาแล้วไม่ใช่หรือว่าต้องเจอเรื่องพวกนี้มึงก็คํานวณไว้แล้วหรือว่ามาแล้ว ม, มันก็บอกตัวเองไงเจอสติเองว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องมีในโลกเป็นของประจําโลกวินสนยที่ต้องเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในโลกต้องกระทบกับมันเมื่ออยู่ในโลกต้องเผชิญกับมันอย่างเงี้ย ก็สุดท้ายก็เมื่อบอกตัวเองได้แล้วมันก็เริ่มสงบลงสงบลงจิตก็เริ่มสงบสงบสงบต้อเข้าใจสภาพของจิตอันหนึ่งนะเข้าใจไหมอันที่มีปัญญาอยู่เหนือจิตนั่นอีกอันหนึ่งพราะมันมีธรรมชาติอันนี้อยู่เหนือจิตอยู่ที่คอยที่จะอธิบายให้จิตเราบในสิ่งที่จิต ร, รับการกระทบเพราะจิตเป็นตัวรับการกระทบประเภทแบบว่าจิตนี้จะแต่สลายแล้วเคย เคยกระพบในครั้งที่อยู่พรรษาที่สามถูกอำนาจของ <c oughs> กิเลสเนี่ยละบียใจจนเหมือนจะแหลกสลายไปต่อหน้าต่อตาเรามันก็เป็นคํำพูดนะของครูบาอาจารย์ตอนนั้นอาตมาอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์ไหนที่จะสามารถแนะนําภาวนาทางจิตของอาตมาได้ <c oughs> มันเฉียดที่จะบ้าหรือใกล้ที่จะบ้าแต่คําว่าบ้านี้ไม่ใช่บ้าลาักษณะคุ้มคลั่ง หรือแสดงออกถึงโลกประสาทอะไรประเภทนี้นะคือบ้านในสนานที่เรียกว่ามันมันไม่สามารถรับสภาพในจิตภายในได้ของตนเองนั่นแหละเพราะถูกอานาจกิเลสมันบีบจนเหมือนกับมันจิตใจมันจะแตกสลายเพราะตอนนั้นเรายังหวงจิตอยู่เข้าใจว่านักภาวนาจิตต้องดีเสมอไปเข้าใจว่าอย่างนั้นพอจิตมันไม่ดีแล้วเรารับไม่ได้เข้าใจไหม มันก็เลยจะบ้าจะอะไรว่ารับจิตตัวเองไม่ได้รับสภารในจิตเป็นองนี้ไม่ได้เพราะอํานาจกิเลสเป็นบีบบีบมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าอธิษฐานหาครูบาอ า, าจารย์นี่ครูบาอาจารย์ไหนพอที่จะแนะนําทางด้านจิตตะพาวนานที่เป็นอยู่ในเวลานี้ได้ที่ฐานหาแต่เราไม่เข้าใจว่าในขณะนั้น่เรากําลังเห็นจิตตัวเองอยู่เข้าใจไหมมันไม่ใครพอบอกแต่ด้วยความรู้สึกของเราน่ะ ในการที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในความรู้สึกของของว่าจิตเราทําไมต้องเป็นแบบนี้ ท, ทั้งที่เราก็บำเพ็ญเพียรมาประคับประคองจิตมารักษาจิตมาดีโดยตลอดแต่เวลาถึงข่าวที่อํานาจกิเลสบีบคั้นทําไมเราไม่สามารถที่จะสลัดมันออกได้ไม่สามารถแก้ไขได้ปัญญาทําไมมันไม่มีมันทําไมบื้อบอดในเวลานั้นมันจนต่อทาไมมันจนต่อไม่มีรู้จะทําอะไรยังไงต่อไปอย่านี้ทไงก็นึกถึงหาครูบาอาจารย์ก็ เข้าที่สมาธิเข้าทีภาวนาเราทำแต่ในจิตใจนั่นไม่ได้มีความสงบเลยแต่ก็ทำทำก็นึกถึงหาครูบาอาจารย์นึกถึงหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะมีข้อทำอะไรขึ้นมาเพื่อแก้ไขจิตใจเราได้บ้างก็ได้นิพิตถึงหลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่า หากวงจิตดวงใจซึ่งเป็นธรรมชาติรับกระทบมันจะแตกสลายลงต่อหน้าต่อตาก็ให้มันแตกสลายลงต่อหน้าตอตาแล้วให้เห็นการแตกสลายของจิตในเวลานั้นอย่าไปหวงแหนหวงกั้นอย่าไปประคับประคองอย่าไปรักษามันอยากจะแตกสลายก็ให้มันแตกสลายไปเลยทำอย่างนี้แหละเป็นการสั่งสมสติของจิตไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะถึงวิบูตเอง เราได้ยินคําว่าเดี๋ยวมันจะถึงยุคพุตธเองลืมอันสภาพแห่งจิตที่มันเป็นที่มันกําลังได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในเวลานั้นเพราะท่านบอกว่าจะมันจะสายมันจะายไปแต่ตัวความรู้ต้องอยู่นะจิตมันเป็นยังไงก็ได้เข้าใจไหมมันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็คือธรรมชาติทั้งจิตมันจะทรมานแค่ไหนก็เป็นเรื่องของจิตมันจะแตกสลายหรือมันจะแล้วแหลกยังไงก็แหลกแหลกเหลวยังไงก็คือเรื่องของจิตแต่ความรู้ต้องยังอยู่ ก็รู้อยู่นี่ว่ะเนี่ยทีนี้ท่านบอกสั่งสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะถึงวิมุตต์จากนั้นนิมิตก็หายไปพอนิมิตหายไปเราก็นึกถึงว่ า, าให้รู้ไว้ยันเรื่อยๆตัวความรู้ต้องอยู่จะต้องไม่ขาดหายไปกับอาการที่บันบีบคันจิตเนี่ยแล้วก็นึกถึงว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะถึงวิมุตต์เรานึกถึงวิมุตต์แล้วมันมันจะวิมุตต์มันจะหลุดพ้นอนะพูดง่ายๆ มันก็เป็นตามที่หลวงตาท่านว่าในนิมิตนะแต่คือไม่ได้ไปรับคําสอนจากหลวงตาโดยโตรงในนิมิตนิมิตไม่รู้ว่านิมิตมันมาจากสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบะบุญบรารมีแต่ฟางก่อนหรือว่าความเชื่อมโยงทางจิตถิ่นกันก็ไม่แน่ใจอันนั้นเป็นเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาจากนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็แตกสลายในจิตทังทลายมันแต่ความรู้ยังอยู่สลายก็สลายไปที่จิตทังก็ทังไปที่จิต พพราะะ น, นเรื่องที่เจอในโลกนี้มันยังไม่เท่าสิ่งที่เคยเจอมาตอนขณะบอมเพ็นภาวนากระทบกับโลกยังไม่เท่ากับกระทบกิเลสภายในใจตนเองกิเลสภายในใจของเราเนี่ยก็ทบเราได้อย่างสุดยอดมากเรื่องของโลกกระทบมันก็ดับละลายจากันแล้วก็หายไปแต่กิเลสที่กระทบใจเราอยู่24ชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนอยู่นั่นและกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ เป็นเดือนนะต่อสู้กันขนาดนะ้นจนภาวนาไปม า, า, าไปจนอัต ร, ราของจิตมันหมดก็ผูดไปอย่างนี้ก็มีพวกนักภาวนาหลายๆเก็มาบาดสามาบวดอุตริมันมีนะกลุ่มที่เขาไม่รู้จักธรรมชาติ เขบอกบวดอุตตริถ้าพูดถึงอัตาของจิตถูกทำลายหรือหายไปเนะี่ยมันหมายถึงการพยากรตนเองการพยากรตนเองผู้เจ้าให้พยากรไหมตามหลักตามหลักมิในนี้ผู้เจ้าให้พยากรตนเองไหมฮะได้ปุชุบอกว่าไม่อันนี้ได้ตามหลักแล้วผู้ไเจ้าให้พยากรตนเองได้ไหมน่าจะได้ ถ้าเราไม่รู้จักตัวเราแล้วจะให้ใครมารู้จักตัวเราพระเจ้าจึงบอกว่าพระโสดาบันสามารถพยากรตัวเองได้ตั้งแต่โสดาบันเลยนะอัตตานังปยาการณังอัตโนโพยากรตนด้วยตนเอไม่ใช่บาลีไม่รู้ภาษาบาลีไม่รู้คำนี้หรือเปล่านะจาํามาทร่าวๆคือพยากรณ์ตนด้วยตนได้เลยว่าตนเองปิดอบายภูมิได้อย่างท้าวรแล้วก็ทำลายสกฤติทิฏฐิวิจิกิจชาศรีรพตาปรามาด พระองค์บอกให้พยากร์ตนเองพยากรตนด้วยตนตั้งแต่โสดาบันแล้วจนถึงขั้นสุดท้ายนู่นรู้ได้ตนเลยเข้าใจไหมหลุดพ้นก็รู้ว่าย่อมมีญาณอย่างว่าตนเองหลุดพ้นแต่ทีนี้มันมาผิดตรงที่มาเล่าให้คนฟังนี่เข้าใจไหมทีนี้มันผิดตรงไหนหากเล่าแบบอวดผิดต้องอาบัติไปจิตตีหากเล่าเพื่ออธิบายให้ทราบว่าผลแห่งการ ปฏิบัติยังเข้าถึงได้อยู่ไม่ผิดอะย่ยังศาสนานี้ยังมีมรรคผลอยู่ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องเล่าในท้องเรื่องในตำรับตำราคำพีว่าการเข้าถึงมรรคผลมันเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้คนที่มาพูดถึงเรื่องการบรรลุมรรคผลเป็นพวกที่โ อ, อ้อวดตนเองทั้งนั้นเขาจะพูดอย่างนี้เป็นพวกอวดอุตริอุตริทีนี้หากว่า ผูอธิบายหรือผู้เทศประสงค์จะอธิบายให้ทราบว่ามรรคผลยังมีอยู่การปฏิบัติตามหลักคําสอนยังทรงยังส่งผลให้เกิดคุณค่าและยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจและสามารถดับทุกข์ได้จริงประสงค์ที่จะพูดอย่างนี้ให้คนอื่นฟังจะเป็นพระด้วยการจะเป็นโยมด้วยกันไม่ผิดแต่ประสงค์จะโอ้อวดแม้มีจริงผิดเข้าใจไหมแล้วลอยทั้ง้อยพระอริยเจ้าไม่มีใครโอ้อวดตัวเองไม่มีตัวเองให้โอ้อวด แตพูดเพื่อบุงประสงค์จะแสดงธรรมทั้งนั้นตั้งแต่หลวงตามาหาบัวองค์หลวงตาท่านก็บอกว่าเราเป็นพาาระานคนหนึ่งมันจะผิดไปไหนท่านก็พูดได้เต็มปากคือพยากรตนด้วยคนอันนี้เป็นการพยากรตนด้วยตนแต่เป็นการพยากรโดยที่มีผู้อื่นฟังด้วยนะมีญาติโยมฟังด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าหลวงตาไปเป็นพาาระรหันได้ยังไงก็เห็นด่าคนหเห็นเคี้ยวมากอยู่ ไอ้มากันเหลือจะเป็นอรหันต์เอามากันเหลือเป็นเครื่องหมายของความเป็นอรหันต์คนไม่เคี้ยวมาก็บรรลุอรหันต์จนหมดทีเ้หมอันด่าอันด่ากันนั่นเหอเอามาเอามาเป็นเครื่องวัดความเป็นอรหันต์พระอรหันต์จะต้องไม่ด่าใครเลยหรอเอาถามหน่อยพระพุทธเจ้าด่าด่าพระมในครั้งพุทธการด่าใช่ไหมเอาพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์สิบางคน ถือปฏิปทาเหมือนกันนะปฏิปทาวัดเหมือนเกหมือกันว่าปฏิปทาวัดบางอย่างเนี่ยภิกษุบางรูปฉันอาหารคนเดียวเป็นวัดโอ้โหพระองค์นี้สุดยอดเพลงคือฉันแล้วลุกนี้แล้วไม่ฉันอีกเลยเพลงคนนี้ต้องเป็นพระอาหารแน่พระพุทธเจ้าฉันสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างในในเวลาเช้านะนะคือโยมถวายพระตาหารเช้าในเวลาเช้าแล้วถวายอีกในเวลาต่อไปพงศ์ก็รับถวายอีกในเวลาต่อไปพงศ์ก็รับแต่อย่างอยู่ในเวลาเช้า พวงกระับโอดเข้าไปเรื่อยพวงชั้นหลายครั้งนี่ทาเพื่อปฏิปทาวัดไม่เคร่งเท่ากับพิสูจชั้นคนเดียวเช่นพระมหากรส ป, ปะแสะดงพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติย่อยย่อนกว่าพระมหากรสปะพวงก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่พระรหันต์ละมั่งเนี่จะว่ายังไงพุทธเจ้าบอกว่าข้อปฏิบัติบางอย่างตถาคตก็ไม่ได้เท่ากับสาวกบางรูปเห็น ไ, ไหม แต่ความเป็นอาหารหันต์ัสมาสัมพุท ธ, ธะมีอยู่ในตถาคตสาวกบางรูปเป็นสาวกแต่ไม่ได้เป็นอาหารหันต์ั้สมาสัมพุท ธ, ธะแต่ปฏิบัตวัดเนี่ยยังรักษาอยู่เพื่ออะไรยังไงคือคนธรรมาราทั่วไปไม่สามารถมองออกและแยกแย ก, แยกออกใครจะมองมองออกว่า ย, ยมยมแมวเนี่ยด่าลูกน้องชีพาแวอวอะไรแนยมแมวปฏิบัติทาไดนะ้ใช่ไหม พขาอโกโยมแมวยังปากจัดอยู่ขนาดนี้โว้ไปวัดไปวาทอะไรนี่เขาไม่รู้ว่าใจเขาก็ปฏิบัติอยู่แต่ตอนนั้นมันเผลอบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในใจนั้นมันสติมันเรียกตัวเองกลับมาอยู่ตลอดมีสติอยู่ในภายในตัวเองเองอยู่ตลอดแล้วจําไว้เลยว่าคนที่ปฏิบัติธรรมที่จิตกําลังไปได้ดีเนี่ยเวลาด่าเนี่ยเขาจะด่าด้วยสติยังย่งคมกลิบเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจยัง คือมันยังไม่สามารถที่จะควบคุมวาจาได้สติน่แต่ในขณะที่ดาวไปน่ะเขามีสติตามรับรู้อยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่พอที่จะหยุดวาจ า, าในเวลานั้นได้เท่านั้นเอง้ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนี่แต่ในระยะเวลาต่อไปสติตัวที่เคยตาม ตามรับรู้นะ่ะมันจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาสูงกว่าครั้งต่อไปเวลาจะด่าปุ๊บมันจะหยุดชะงักหรื อ, อกําลังจะพูดอะไรหรือพูดออกไปได้สอ ง, ส, อ ง, ส, องสามคำปุ๊บมันก็เล็บหดออกมาหดเข้ามาสู่ภาวะแห่งกายกับจิตของตนทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนไม่รู้จะด่าไปทําไมด่าไปก็เหมือนเดิมด่าไปก็เหมือนเดิมก็ คอยพูดกับเขาด้วยคําพูดทางเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและชี้เหตุให้เกิดใ ห, ให้ให้รู้ว่าปัญหาคืออะไรจะไม่โทษคนแต่จะพากันให้รู้ว่าปัญหาคืออะไรเหตุให้เกิดปัญหาคืออะไรเราจะดับปัญหาได้ยังไงเรียกมาคุยกันในหมู่ลูกน้องปัญหาเป็นอย่างงี้นะไม่ไม่โทษใครแล้วแหละเขาโทษไปมันก็ปัญหามันเคยไม่หมดหรอกแต่ปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราจะทํายังไงเหตุมันอยู่ที่ไหนลองคิดดูคุยกันอย่างนี้จะเห็นได้ผล มันก็ง่ายขึ้นไม่ต้องด่าใครก็แก้ปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเรืยมันต้องดูบบอดค่ะอาจารยมจะไม่ห้ไถ้าดูโกรธแล้วเรานมันจะหยุดไปใช่ใช่นั่นแหละตัวที่ดูโกรธนั่นแหละคือสติจริงๆไม่ใช่ว่าเราขาดสตินะสติเรามีอยู่นะสติไม่ได้ขาดนะ เพราะนั้นหลวงตามหาบัวดานี่ท่านไม่ได้ด่าด้วยการขาดสตินั่นน่ะสติท่นเต็มที่ท่านก็เลยด่าได้ดดเต็มที่ด่าลูกศิษย์ดา่าใครต่อใครที่ท่านดานะ่ะนั่งกันมองกันเมืองอ่ะ <c oughs> ท่านด่าด้วยสติท่านไม่ได้ด่าด้วยความเกลียดโกรธแค้นใครเพื่องใครคนทั่วไปมันมองไม่ออกหรอกเพราะฉะนั้นการพูดถึงมรคนบางคนก็บอกว่า อ้าแล้วท่านมาพูดอย่างนี้ในการพยากรณ์ตนเองเอาเองซึ่งมีมีใครรู้ด้วยกับอาตามาตท่านก็มาพูดเอาเองว่าท่านพยากรณ์ตนเองก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะไม่เข้าข้างตัวเองไปเหรอครัว่ามันมคล้ายๆกัไม่เป็นไม่เป็นการยกตัวเองเหรอพรูที่เจ้าบอกว่า หากเราไม่สามารถชมตัวเราได้จะให้คนอื่นมาชมเราได้ไหมคนที่จะชมเราได้ก่อนต้องเป็นตัวเราใช่ไหมถ้าตนเองยังชมตัวเองไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรที่น่าชื่นชมภายในตัวเองเลยเนี่ยจะให้คนอื่นมาชื่นชมได้ไหมไม่ได้มันต้องชมตัวเองก่อนถามว่าชมตัวเองมันหลงตัวเองไมไม่ใช่มันต่างจากพวกที่หลงตัวเองแบบยังไม่มีอะไรน่าชื่นชมในตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองดีอย่างนั้นตัวเองดีอย่างนี้มันไม่ใช่เนคนละเรื่อง อันนี้มันผ่านมาจนอันไม่ดีอันของตอนเองก็บอกอยู่อะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่พูดนะอันอัน่ดีก็พูดให้คนอื่นฟังอยู่ไม่ใช่จะมาพูดแต่อันดีนะเอาจารา์แม่ลเขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเรื่องของความมินเมย์ต่อความเข้าใจผิดที่จะให้คนหลงผิดยึดว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มินเมย์มินเมืออะไรเลยเป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาและมีหลักของมันในแต่ละอันที่เราเจอแล้วก็เราประสบ ในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติมาและที่พูดนี้มันไม่มีอะไรปิดปากไม่ให้ได้พูดอีกไม่มีกิเลสตัวไห น, นมาปิดปากไม่ให้พูดแต่ก่อนไม่พูดกับใครเรื่องพวกนี้ถามว่าตอนนั้นมีกิเลสเหรอไม่ใช่มันมันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะพูดแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นเวลาที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็มีคนมายอมให้สอนแล้วจึงพูด ถ้ามีใครไม่ถ้าไม่มีคนมายอมให้สอนก็ไม่พูดหากเขาไม่ยอมให้เราสอนเราเพื่อแต่ไปพูดไปบอ ก, กเขาว่าเราสำเร็จ ม, มาอย่างนี้เราบาเพ็ญมาอย่างนี้เราเข้าถึงอย่างนี้ต้องทาตามเรานะเขาไม่ยอมให้เราสอนแล้วไปบอกบังคับให้เขามาทาตามเราไม่ได้มีคนมายอมให้บอกมีคนมายอมให้สอนขอยอาจา ร, รย์แนะนำขออาจา ร, รย์สั่งสอนขออาจารย์ชี้ทางก็บอกก็ชี้ทาง เพราะนั้นการบอกการสอนอย่างเงี้ยเป็นการพูดออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามจะเป็นการแสดงธรรมหรือการพูดอย่างนี้หรือการสนทนาล้วนแล้วแต่เป็นการชาี้ทางเข้าใจไหมชี้ทางให้เราได้เดินไม่ได้อวดตัวเองแต่ชี้ทางให้พวกเราได้เดินแต่กี่ปีกี่ปีก็มาคอยบอกให้พระอาจารย์เทศเทศมาบอกให้พระอาจารย์เทศหมายถึงว่าให้พระอาจารย์ชี้ทางประครั้งก่อนก็ชี้ทางแล้วครั้งนี้มาอีกก็บอกพระอาจารย์ชี้ทางให้หน่อย ก็ชี้ทางก็เทศบอกชี้ทางบอกไมาแล้วพอมาอีกครั้งนี้ก็บอกว่าขอให้เทศให้หน่อยคือให้ชี้ทางให้หน่อยก็ชี้มากี่ปีแล้วทางอ่ะเดินกันหรือยังเข้าใจเดินกันหรือยังเดินแล้วแล้วยังให้ชี้อะไรอีกต่อไปอ่ะยังต้องให้ชี้อีกไหมล่ะคือยังต้องเทศอีกแล้วเทศอีกอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่ากลัวหลงทางเอากลัวทำไม ก็ท <g år> ี่ชี้ไว้มันก <g år> <ng ratios> <g år> ็น่าจะเป็นเครื่องบอกได้แล้วว่าอันไหนควรควรเดินไม่เดินระหว่างทางก็คือมีความอระหว่างทางมีความสงสัยกลัวไพร่จับทางผิดก็เลยบอกให้ชี้ต่ออีกหน่อยคือมันไปได้ขนาดนี้แล้วอันต่อไปให้ชี้ต่ออีกหน่อยนะก็ดีไม่ได้ชี้ไม่ได้ชี้ในจุดเริ่มต้นแบบเดิม ไม่ใช่ว่ากี่ครั้งก็ไปชี้ตรงจุดเริ่มต้นกี่ครั้งก็ไปชี้ตรงจุดเริ่มต้นไม่ใช่อันนี้มันชี้ต่อต่อต่อต่อเอออย่างนี้ก็ยังพอชี้อยู่เพราะฉะนั้นเป็นแค่การชี้ทางเท่านั้นทําให้กันไม่ได้ <c oughs> เดินหน้าที่เดินเป็นหน้าที่ของพวกเรา <c oughs> ที่จะต้องเดินกันอเอง <c oughs> เดินมัดเดินจิดเดินใจฟ้า <c oughs> แต่เราจะสังเกตได้ว่าปีนี้เราจะชาฉลาดกว่าปีที่แล้ว ปีนี้สติเราก็จะดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมมีใครบ้างที่ปีนี้สติเลวร้ายกว่าปีที่แล้วบ้างถือว่าใช้ไม่ได้นะเนี่ยปีนี้สติมันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วไหมดีขึ้นเยอเลยครับดีขึ้นแล้วปีที่แล้วสติไม่ค่อยดีใช่ไหมครับดีอยู่ครับดีอยู่ดีอยู่ต่รงนี้ดีกว่าตีนี้ดีกว่าอ๋อแสดงว่าครั้งที่เราก็ไปดีเท่าครั้งนี้ ถ้าสติไม่ดีก็ถอดลงพยาบาลนั่นนอะก็ก็ดีอัตมาก็เชื่อว่าปีนี้มันต้องดีกว่าปีที่แล้ววันนี้มันต้องดีกว่าวันที่แล้วแน่นอนว่าหากเรายังดำเนินอยู่ในเส้นทางปีหน้ามันก็ต้องดีกว่าปีนี้ปีต่อไปของปีหน้ามันก็ต้องดีกว่าปีหน้าที่เราจะต้องเป็นมันจะดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยจนหมดดี หมายถึงว่าไม่ต้องเอาดีอะไรอีกกับสิ่งที่เป็นในเวลานี้ให้มันเป็นธรรมชาติของมันดีก็ตามไม่ดีก็ตามเป็นเรื่องของโลกโลกีย์วิสัยเป็นเรื่องของปัตตะที่มันให้มันเป็นไปเราจบอยู่กับความดีหรือไม่ดีที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็ให้มันจบให้มันยุติก็จะเจอธรรมชาติอันเป็นที่ดับแล้วก็ให้มันดับจำไว้เลยธรรมชาติอันเป็นที่ดับมันต้องดับแม้กระทั่งความดี บอกเอาถ้าถ้ า, ถาดับแม้กระทั่งความดีแล้วทำดีไปเพื่ออะไรเพราะทำไปแล้วมันต้องดับอยู่จะต้องไปหาสิ่งที่มันต้องมาดับความดีอยู่แล้วทำดีไปเพื่ออะไรตอบสิทำดีไปเพื่ออะไรนะตอบมาเพราะมันยังไงก็ต้องทิ้งดีต้องดับความดีไม่จะทำไปทาไม ทเพื่อละทเพื่อละดีสุดท้ายมก็ต้องละทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องละทุกสิ่งทุกอย่างนี่เมื่อต้องละทุกสิ่งทุกอย่างต้องทามันทำไมทำเป็นฐานทาทเป็นฐานตอนเป็นเด็กเรากินข้าวเพื่อให้มันเติบโ ต, ตใช่ไหมพอมันโตเต็มที่อายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเท่าไหร่ถึงจะโตเต็มที่ คือไม่โตไปกว่านี้อีก25หรือ20 25คือบรรลุนิติภาวะใช่ไหมคือยีนี่คือโตเต็มที่แล้วไม่โตไปกว่านี้อีกพอมันโตเต็มที่แล้วยังต้องกินข้าวอีกไหมกินทําไมมันไม่โตอีกแล้วอฮะก็เหมือนกันแม้ความดีทําไปเรื่อยๆเพื่อให้เราเติบโตในความดีพอดีเต็มที่แล้วไม่ต้องการอะไรความดีอีกเราก็ต้องต้องทาดีอยู่เพราะมันดี แม้ทิ้งความดีได้แล้วไปทําความชั่วมันดีมไหมล่ะ ม, มันก็ไม่ดีถามว่าทําความชั่วยังจะมีความมีผลโทษติดตัวไปไหมมันก็ไม่ติดอย่างเช่นพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะทําความชั่วก็ได้นะแต่มันไม่ไม่ใช่วิสัยที่จะต้องทําไม่ใช่วิสัยที่จะต้องทำเข้าใจไหมแต่พระองค์ก็ทําดีแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเอาดี ตอนแรกทาดีเพื่อเอาดีก่อนในบําเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสงกับนี่ทำดีเพื่อเอาดีเก็บเอาดีมาเรื่อยดีมาเรื่อยจนบรรลุถึงสัมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันต์ตั้สมาสัมพุทธะไม่เอาดีอะไรอีกเผือแผ่ความดีไปถึงคนอื่นเอาความดีแจกคือไม่เอาแม้กระทั่งความดีแต่ก็ยังต้องทําดีอยู่สิ่งที่วงทรงเผือแผ่ความดีนั้นเป็นความดีอย่างยิ่งนะเป็นความดีที่ไม่ได้เอาดีก็ยังต้องทำเพราะมันเป็นความดีโลกนี้ยังต้องการความดีอยู่ ตรงนี้ไม่ได้ต้องการความชั่วเพราะผลเห่งความชั่วไม่มีใครต้องการความดีก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ไม่ให้ยึดดียึดดีก็ไม่พ้นติดดีก็ไม่พ้นเพราะนั้นท้ายที่สุดสิ่งที่พระองค์งต้องการให้พวกเราเข้าถึงคือความหลุดพ้นทางใจการเข้าถึงความหลุดพ้นทางใจนั้นมันเป็นเรื่องภายในที่เราจะต้องทำการปล่อยวางการจะปล่อยวางได้ต้องรู้ความจริงเรียกว่าสับจัด การรู้สัจจะจะต้องบำเพ็ญภาวนาขึ้นมาถึงจะรู้การภาวนานั้นเป็นการภาวนาที่รู้โดยทางใจไม่ใช่ไปดั่งบริกรรมภาวนาใช้จิตเข้าไปรู้จิตเราเป็นตัวรับรู้อยู่แล้วแต่เข้าไปรู้ความจริงรู้ความจริงในด้านของทิฏฐิคือด้านของความเห็นปกติจิตรับอารมณ์กระทบมันก็แสดงออกในจิตตามอารมณ์ที่มากระทบสุขมากระทบก็รับสุข แสดงออกด้านความสุขทุกมากระทบก็แสดงออกด้านความทุกไม่สุขไม่ทุกกระทบก็แสดงออกด้านของความไม่สุขไม่ทุกคือเฉยเฉยแต่ให้เพิ่มการรับรู้ทางด้านทิฐิคือความเห็นเข้าไปอีกเห็นอะไรเห็นทุกแล้วการรับกระทบนี่แหละคือการคือความทุกหมายถึงว่าตราบใดที่ยังมีการกระทบอยู่ก็ตราบนั้นก็คือยังเป็นทุกอยู่แต่ไม่ใช่เป็นทุกเพราะ ความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะว่ายังต้องมีการกระทบกันนะ nah. คือการกระทบกันเป็นความทุกข์อย่างหนึง่งพอเข้าใจมักขัตตอาจารย์บอกว่าทําดีแล้วก็สมอว่าตอนเนี้ยแล้วเราเราก็ไม่ได้เอาดีไงแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ปนรูปเป็นพระอริยะอะไรนะคือระหว่างทําดีแล้วก็ไม่ได้เอาดีไปไปไหนถ้าระหว่างที่ที่เราเราวิ่งวิ่งทำดีแต่ตามใจเนี่ย ก็โค้อาจารย์สอนเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าเรายังไม่ปไปถึงไหนเนี่ยความดีก็ยังองรนะับละจะรู้ใช่ไหมคะหรือว่ารับสิผู้ใดกระทำไปแล้วแม่ไม่เอาก็ได้ทำชั่วแม่ไม่อยากจะเอาไ ด, ได้ไหม <c oughs> เอได้ทำดีไม่อยากจะเอาก็ได้มันทำไปแล้วนะกรรมต้อมติดตามบุคคลไปเหมือนกับเงาติดตามตัวไม่อยากจะได้มันไม่อยากจะได้เงาไปด้วย ก็ได้เราจะยังติดไปด้วยไม่เอาก็ได้เพราะมันทําไปแล้วมันเป็นกรรมแล้วอยากทราบอาจารย์สูงว่าเราปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ยคือเขาใช้ชื่อเราไปในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราต้องเน่ยหดเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีใอะไรอย่างเงี้ยแต่เราห้ามก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้เป็นอํานาจของเขา ก็อย่ายินดีในสิ่งที่เขาทาก็ปิดบาปในส่วนนั้นไว้ได้อย่ายินดีอย่าพอใจในสิ่งที่เข้ากระทาในทางด้านที่เป็นความผิดอย่างเนี้ยถ้าเราเป็นคำสั่งที่ว่าเป็นเราต้องไปดำเนินการแต่คือเธอไม่ต้องทําแต่เป็นชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยอาจเป็นอย่างเงี้ยก็อย่ายินดี มันไม่ได้ยากนะธรรมะยากยากเพราะไม่ท ำ, ทำถ้าคนทำจะไม่ยา ก, ยากแต่ตอนทำยากไหม ย, ยากแต่ทำแล้วมันจะง่ายแต่ขณะที่ทำมันจะยากเข้าใจไหมใช่่ยยทใช่ทให้มันง่ายถูกเอาเอาเอา ลองเทียบดูซิอะไรบ้างในโลกนี้ที่มันง่ายไม่มีไม่มีใช่ไหมจะซื้อหวยทั้งทียังต้องไปหาผูดตาม้นไม้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะได้มาแต่ละนวดนี่บางคนต้องพยายามฝันให้ได้ฝันไม่ได้ก็ทรมานอีกยิ่งมันไหนนอนไม่หลับตะเวนหาครูบาอาจารย์ตะเวนหาพญาเต่างอยตะเวนหาพ่อศรีสุโธ โอ้ยากนะไม่ใช่ง่ายนะยากเหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องยากที่คนพอใจที่จะยากมันเลยง่ายพยายามเอางี้ดีกว่าไปปฏิบัติภาวนาเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะหาเวลาไปจะพยายามไปแต่เวลาไปโรงหนังไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายเลยจะไปจะไปจะไปชอปปิ้งต้องใช้ความพยายามมากไหม จะไปเซนท่านเนี่ยไม่รู้ควากระตือรือรถมาจากไหนแต่ทําไมกูจะไปวัดไปปฏิบัติไปภาวนาไปศึกษาทำจะหาเวลาไปว่างเมื่อไหร่ถึงจะไปจะพยายามจะหาเวลาให้มาก<ะ>ทําไมความพยายามมันมาจากไหนมันยากจังเลยนะ การสวดมนต์ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเมื่อสวดแล้วเป็นการสรรเสริญบูชาพระพุทธองค์การสวดมนต์ภายใต้ความเชื่ออย่างนี้เป็นการสวดแบบงม ง, งายการที่บทสวดที่ว่าอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมบุตรโววิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกาบิดูอนุตตโรปุติสดำมัสสาระิ สัต t h เดวัมนุสซานางบุตโธภังกกวะติทำไมต้องพูดอย่างนี้อันนี้คืออักขระที่ถูกต้องภาษาหรืออักขระที่ถูกต้องต้องออกอย่างนี้ออกเสียงออกอักขระอันที่สวดกันอิติปิโสภาคาวาอรหังสัมมาสัมปุตโธอันนั้นไม่ใช่อักขระที่ถูกต้องมันเป็นใช้ภาษาบาลีในรูปแบบของภาษาไทยนี่นมันผิดเรียกว่าฐานกรผ์ผิดผู้ให้าบอกอักขระผิดหนึ่งตัวเท่ากับทำลายพุทธศาสนา การยึดถือพยัญชนะผิดพยัญชนะผิดอักขระผิดแม้หนึ่งตัวก็ชื่อว่าเป็นการทำลายศาสนาบทนี้เป็นบทไม่ใช่บทกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์อิติปิโสพระ า, าไม่ใช่บทสรรเสริญพระพุทธองค์เป็นบทตามระลึกถึงกิตติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าที่ฟุ้งไปเป็นชื่อเสียงเรื่องลือที่ฟุ้งไปเข้าใจไหม กิตติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าย่อมฟุ้งไปอย่างนี้ว่าอิติปิโสภาคราแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้อรหังส ม, มาสัมพุทโธพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือไปว่าพระองค์เป็นพระอราหาันตตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่บทสวด ท, ที่เราจะต้องมาสวดสรรเสริญบูชาแต่เป็นการตามระลึกเป็นบทที่ระลึกถึง กิตติศัพท์อันงามสิ่งที่ดีๆของพระองค์เรื่องดีๆของพระองค์ระลึกถึงเรื่องดีๆของพระองค์การระลึกถึงเรื่องดีๆของพระองค์มันไม่ต้องมาระลึกอิตีปิโสมพระคว า, านี่ไม่ต้องไม่ใช้สวดนี่ก็ระลึกไปเลยสิบุตรเจ้าเป็นพระอรหันต์แสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้จำแนกแก่ธรรมเป็นผู้มีวิชาและจาระนะนก็ก็ระลึกไปอย่างนี้ ทำไมจะต้องสวดแล้วพระองค์บอกว่าการที่พงค์ตั้งาศาสนาขึ้นมานี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อการสักการะเคารพสารเสรินบูชาของใครใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พงษ์ต้องการเพราะฉะนั้นการสวดภายใต้ความเชื่อที่ว่าสวดแล้วเป็นไปเพื่อการบูชาและสารเสริญพระพุทธองค์นั้นเป็นการทำในสิ่งที่พงค์ไม่สารเสรินเพราะนั่นคือสิ่งที่พงษ์ไม่ต้องการเป็นการทาในสิ่งที่พงค์ไม่ต้องการแต่ การที่เราตั้งศาสนาขึ้นมานี้คือพระโต้์กล่าวนะไม่ใช่อธรมาเป็นผู้ตั้งพุทธเจ้ากล่าวว <c oughs> <อ>่าการที่พระองค์ทรงตั้งศาสนานี้ขึ้นมาเพื่อเป็นไปเพื่อการละการคลายการวางการหลุดการพ้นและนิพพานใช่ไหมละ่ะละหรือยังหากเราละก็เป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ทรงส ร, รรเสริญเป็นสิ่งที่พระองค์เป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ต้องการหากคลายคลายจากการยึดถือก็เป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ต้องการการละการคลายการวาง วางไปซะเรื่องบางเรื่องอย่ามาถือไว้ในใจเลยวางไว้เถอะเรื่องที่มันละไปแล้วล่วงไปแล้วดับไปแล้วอย่าให้มันมากกกวนในใจของเราทําให้ใจเราไม่สงบในปัจจุบันปัจจุบันนี้คือฐานานี้คือตอนนี้อันเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วก็ล่วงไปแล้วดับไปแล้วก็ดับไปแล้วเอามาลึกไปก่อกวนจิตใจตัวเองทําไมเนี่ยวางได้ก็วางเพื่อละเพื่อคลายเพื่อวางเพื่อความหลุดทําใจให้หลุดออกจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทั้งปวงที่เคยเห็นผิดอยู่ว่า กายเป็นเราเราเป็นกายกายมีในเราเรามีในกายหรือเห็นผิดต่างๆนานาอื่นอีกการเห็นผิดเช่นบวงสรวงอันนั้นบวงสรวงอันนี้เส้นไหวอันนั้นเส้นไหวอันนี้บูชาปูนั้นปูนี้เจ้าพ่อนั้นเจ้าพอนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น, นี้พุทธรูปองนั้นองนี้ที่ครั้งที่ดีมีความเชื่ออย่างนั้นทำจิตให้หลุดพ้นออกมาอย่าไปมีความเห็นผิดในสิ่งเหล่านั้น หากมีความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็เป็นสิ่งที่พระงค์ไม่สารเสริญอีกเป็นสิ่งที่พงษ์ไม่ต้องการเมื่อเราวางคลายละทาให้หลุดพ้นจิตหลุดพ้นออกจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทั้งปวงได้ก็อยู่ในส่วนที่พรงค์ทรงต้องการในพระงค์ต้องการอย่างนี้เพื่อเพื่อละเพื่อวางเพื่อคลายเพื่อหลุดเพื่อพ้นเพื่อนิพพานนั่นแหลมุ่งไปหานิพพานเลยเดินไปหานิพพานเลย อันอันพวกที่เป็นกระแสแห่งความหลงโงงงายอย่าเข้าไปขายอย่างเงี้ยอาตมาจึงบอกว่าการสวดมนต์ภายใต้ความเชื่อว่าการสวดมนต์เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้านั่นเป็นความงมงายอย่างหนึ่งเขาก็สวดทั้งบ้านทั้งเมืองพระอาจารย์จะบอกว่างมงายได้ยังไงงั้นก็งมงายทั้งบ้านทั้งเมืองกันสิถามว่าอาตมาพูดว่ามันงมงายเนี่ยเป็นการที่อาตมาพูดเองเหรอหรือว่ามันมีอยู่ในคําสอนมีอยู่ในคําสอนใช่ไหม คำสอนที่อสิกพันธบุตรผู้เป็นนายคามินีหัวหน้าหมู่บ้านไปถามผู้รู้เจ้าการสวดมลการสวดม น, า ส, ดมนสารเสริญต่างๆเนี่ยมีประโยชน์อะไรแก่ชีวิตมนุษย์หรือเปล่าผู้รู้บอกไม่มีไม่มีนั่นหมายถึงว่าหากทาก็คือทําในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะสารเสรื่อในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะการสวดสารเสริญใดใดก็ตามมันไม่มีประโยชน์คือผู้องบอกว่าไม่มี แต่พระองค์ไม่ได้ ต, ดตัดตัดคำว่าไม่มีเข้าใจไหมคือพระองค์จะพยายามให้พวกเราขบคิดและเป็นปัญญาเป็นความฉลาดพระองค์บอกว่าโยนก้อนหินลงไปในแม่น้ําแล้วเรียกคนทั้งหมู่บ้านให้มาสวดสารเสริญเพื่อให้ก้อนหินนี่ลอยขึ้นก้อนหินจะลอยขึ้นมาเพราะการสวดสารเสริญ น, นั้นหรือเปล่าไม่เลยพระเจ้าข้าอันนี้ชาวบ้านตอบเองใช่ไหมแสดงว่าการสวดสารเสริญมีประโยชน์ไหมไ ม, ไม่มีถ้ายังสวดอยู่ก็เท่ากับว่าสวดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์การการทำสิ่งนี้มีประโยชน์เป็นความงมงายหรือเปล่า นั่นก็เท่ากับว่าผู้ทีเจ้าต้องการสอนให้คนรู้ว่าการสวดสรรเสริญแบบนั้นน่ะมันงมงายเข้าใจไหมแต่ตามาก็มาพูดเอาเองว่าพระองค์บอกว่ามันมันเป็นความงมงายแต่ไม่ได้พูดเอาโดยลักษณะตามเนื้อหานะแต่พูดโดยสรุปว่าพระองค์ชอบการชี้ให้เราเห็นว่ามันเป็นความงมงายเนี yeah. ่เมื่อเป็นความงมงายอย่างนี้แล้วเราศึกษาคําสอนของพูทีเจ้าเราจำมองไม่ออกเลยหรือว่าอะไรงม ง, งายหรือไม่งม ง, งายอะไรคือความจริงอะไรคือความไม่จริง แล้วทายังไงก้อนหินถึงจะลอยขึ้นน่ะก็ให้คนลงไปงมความพยายามของคนมันต้องงมได้อยู่แล้วล่ะเอ้าไอโฟนมันลงไปอยู่ในท่อเขายังงมขึ้นมาได้เลยใช่ไหมมันความพยายามของคน่ะมันจะอะไรจะเหนืออยู่ความพยายามของคนพระองค์จึงบอกว่า มันจะสําเร็จเพราะความพยายามของเราอย่าให้โชคชะตาเข้ามากําหนดชีวิตเราความบากบันของเราอยู่เหนือโชคชะตาอยู่เหนือการบันดาลของเทพใช่ไหมล่ะถ้าการสวดสรรเสริญ ม, มันดีและคนจะเจริญเพราะการสวดสรรเสริญอาตมาจะให้คนสวดสรรเสริญตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับอาตมาเห็นชัดว่าการสวดธาตุกรรมฐานสีทองทาธาตุกรรมฐานสี มีผลต่อการที่มนุษย์นำไปใช้อตมาจึงสอนให้สวดได้ตลอดยิบสีชั่วโมงหาใครสวดได้เพราะอันนั้นอตมาเห็นชัดว่าเกิดผลบทธาตุกับบัณฑ์สีธาตุสีคือธาตุดินเรียกปฏิวีทธาตุธาตุน้ำเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุธาตุลมเรียกวายโยธาตุธาตุอะไรมีลักษณะแ็แข็งนั้นคือธาตุดินธาตุดินที่อยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับังผืไตปอดจะไปถึงธาตุลมนู่นน่ะสุดท้ายนู่นน่ะท่องอย่างนี้ทั แล้วหากสวด ส, ส, สารเสิญได้ผลจริงทำไมจะต้องสวดแค่สองเวลาอาตมาอยากจะบัญญัติให้สวดทุกๆชั่วโมงทำอะไรอยู่ก็ตามพอถึงครบชั่วโมงหยุดมาสวดอิติปิโสนี่แหละก็จบแล้วก็ทำงานต่อพอครบชั่วโมงหยุดมาสวดอิติปิโสเพราะเราจะเจริญด้วยการสวดไอการทำงานไม่ต้องไปใส่ใจมากเดี๋ยวมันจะสาเร็จเองเราสวดไปเรื่อย เดี๋ยวการงานก็จะเสร็จเอาไหมเอางี้ดีกว่าผ่าตัดคนไข้อยู่หมอผ่าตัดคนไข้อยู่พอครบชั่วโมงสวดมนต์ทิ้งไม่ไม่ผ่าตัดนล้เอาเอาไว้ก่อนไอ้คนไข้พังงับพังงับอยู่นั่นไปสวดก่อนเดี๋ยวคนไข้มันจะหายก็เป็นสมาธินอกพระพุทธศาสนาหากิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือสมาธิไม่จาเป็นว่าต้องสวดมนต์ แม้แต่จดจ่ออยู่กับการเล่นเกมอย่างนี้นะมันก็เป็นสมาธิเขาจะยังคือสมาธินอกพุทธศาสนามีเยอะมันไม่ใช่สมาธิในพุทธศาสนาสมาธิในพระพุทธศาสนาผู้จ้าสอนสมาธิแบบไหนเอาในพุทธศาสนานี่ผู้จ้าสอนสมาธิแบบไหนคิดเอาเรียนมากับตามาแล้วสมาธิในพระพุทธศาสนาเป็นสมาธิแบบไหน ในพระพุทธศาสนามันมีในกับนอกนะในพระพุทธศาสนาเป็นสมาธิแบบไหนเรียนกันมากี่ปีแล้วชีท้ทางกันมากี่กี่ทางแล้วมีอยู่สอย่างช้อยใช่สมาธิ ส, าธสีประเภทช้อยใช่ไหมสมาธิมีอยู่สีประเภทแต่สีประเภทเนี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแค่ 1ประเภทแต่อีกสาประเภทผู้ิเจ้าไม่ได้สอนแต่ผู้องค์ยอมรับให้มีเข้ามาแต่ไม่ได้ยอมรับให้มีเข้ามาโดยให้สมาธินั้นเข้ามาแทรกในความเป็นผู้พศาสนาแต่ให้ยอมรับในสมาธิอีกสาประเภทนั้นน่ะยอมรับเข้ามาเพื่อเติมอันที่สีเข้าไปเข้าใจไหมเอาสมาธิประเภทที่หนึ่งผู้ริเจ้าบอกว่าสมาธิที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหาร ที่ถธรรมสุขวิหารสมาธิสมาธิที่ให้ผลในสุขในปัจจุบันอย่างเงี้ยเช่นการทาําฌานการ เ, เพ่งจดจ่ออยู่กับสีใดสีหนึ่งจนเกิดจิตเป็นหนึ่งในการทําอันนั้นทําให้เกิดฌานหนึ่งฌานสฌานสามฌาน ส, าานสี่นั่นเรียกว่าทิฏ ธ, ธรรมสุขวิหารสมาธิให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันแต่ยังไม่พ้นทุกข์ จากพ้นทุกได้จะต้องเอาสมาธิประเภทที่สีนี้เข้าไปสมาธิประเภทที่สีเดี๋ยวค่อยอธิบายแต่ให้รู้ว่าสม า, สมาธิประเภทแรกเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือฌานการเพ่งและจดจออยู่กับบทสวดถือว่าเป็นฌานอย่างหนึ่งเข้าใจไหมไม่ต่างจากการเพงร่งลูกแก้วไม่ต่างจากการเพง่งหน้าจ อ, อหน้าจอก็เป็นกสิ น, สนมันหลสีอยู่ในนั้นนะ่ะกสินน่ะ นะ <Okay. S 1> ไอไอเลื่อนสมา์ทโฟน ก, <Okay. S 1> ก็ก็เพ่งนั่นั <Okay. S 1> ่ะเออก็เพ่งแล้วก็ดูทีวีดูอะไรนั่นก็เพ่งอย่างหนึง่งเป็นสมาธิแบบ อ, อ่ อ, อนๆสั้นๆทีนี้อันที่สองคือสมาธิเรียกว่าญาณทัศนปฏิลาภสมาธิจาไห้นะครั้งต่อไปเวลาอธิบายพูดให้คนได้ฟังได้รู้เรื่องด้วย <laughs> ไม่ค่อยจำนะมาฟังแต่พูดย่ำๆอย่นี้ ญาณทัศน์ปฏิลาภสมาธิเป็นสมาธิที่ทําให้เกิดญาณทัศนะคือการรู้การเห็นเป็นการรู้การเห็นอมนุษย์ผีปีศาจและเทวดานรกสวรรค์ประเภทนี้โดยการเพ่งแสงสว่างเกิดแสงสว่างจ้าขึ้นในจิตแล้วโน้มแสงสว่างนั้นไปเห็นไปดูเหมือนกับมีไฟฉายแล้วก็ส่องดูไปในที่มืดส่องดูอะไรส่องดูเทวดาส่องดูเปรตผีปีศาจอสุรกาย บางครั้งอาตมาต้องการที่จะส่องดูอะไรในภพภูมิก็ทําสงบลงไปก็จะจ้าขึ้นมาก็ส่องแต่ไม่ทําบ่อยมีเหตุจึงทําเพราะไม่ชอบสอดส่องดูอะไรของใครมากทีนี้ก็อันนี้ญาณทัศ น, นปฏิลาภะมันมันเป็นสมาธิประเภทรู้เห็นสิ่งลึกลับลี้ลับเนี่ยไม่พ้นทุกข์ ทำให้ไม่พ้นทุกได้แค่รู้ให้เห็นเท่านั้นเองแต่ไม่พ้นทุกต้องใช้อัมาธิประเภทที่4เข้าไปจึงจะพ้นทุกสมาธิประเภทเ ท, เภที่3เรียกว่าสติสัมปะชัญญสมาธิสมาธิที่ก่อให้เกิดสติสัปปะชัญญะทำยังไงวิธีการเห็นเวทนาเห็นสัญญาสัญญาคืออะไรความจําในเรื่องบางเรื่องที่ผุดเกิดขึ้นในจิตเวทนาคืออะไรความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาใน ตัวเราเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้า ง, างใช่ไหมให้เห็นเวทนาสัญญาวิตกคืออะไรสิ่งที่จิตยกขึ้นเป็นความคิดเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์เป็นต่างๆนานาคิดฟุ้งแล้วฟุ้งอีกคิดอยู่นั่นผู้ย่อบอกให้รู้เวทนาสัญญาและวิตกถามว่าทําไมไม่ใช้คําว่าสังขารคือความคิดเพอคำว่าวิตกนั้นมันเกินกว่าที่จะเป็นสังขารแล้วคือมันเกิดจากสังขาร น, นั่นแหละแต่เป็นสังขารที่ซ้อนสังขารคิดมากๆจนเป็น วิตกคือหนีออกจากความเป็นจริงสังขารเนี่ยยังอยู่ในความจริงอยู่นะคือคิดคือยกเรื่องขึ้นมาคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาระดับแต่วิตกไม่ยอมให้เรื่องนั้นดับคือแม้เรื่องนั้นจะดับไปแต่วิตกเนี่ยยังเอามูลเหตุของเรื่องที่ดับไปแล้วน่ะคิดตุงปุงแต่งต่อคิดแล้วคิดอีกจนหนีออกจากหลักความจริงจนไปเชื่อสิ่งที่วิตกนั้นว่าเป็นจริงคือคิดย้ำย้ำในตัวเองจนให้เชื่อว่าเป็นจริงก็ก็เข้าใจว่าในสิ่งนั้นว่าเป็นจริงจริงดีนี่ก็หลงผิด หลงนี่หลงผิดในสิ่งที่มันไม่จริงเข้าใจว่าเป็นจริงนั่นคือวิโตกโพงบอกว่าให้เห็นเวทนาสัญญาและวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ทําให้ได้สติสัพพัญญาอ๋ออันนี้เรื่องคิดเราเองเราคิดไปเองนี่ว่ามันก็มีสติไงพ้นทุกข์หรือยังยังเนี่ยสมาธิประเภทที่3สมาธิประเภทที่4อาอสวรคขยะสมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อการทําอาสวะให้สิน้น อันที่สีเนี่ยพุทธเจ้าสอนอันแรกเขามีสอนก่อนพุทธเจ้าอยู่แล้วอันชานนี่นะมีสอนก่อนพุทธเจ้าอยู่แล้วญาณคตสนปฏิลาภมีสอนก่อนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วสติสัมปะชัญญะสมาธิก็มีสอนก่อนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมีสอนมาก่อนแล้วนะแต่โพไม่ปฏิเสธในสิ่งเหล่านี้เขาว่าไม่ปฏิเสธไมไม่ไม่ใช่ว่ายอมรับสิ่งเหล่านี้โดยยังไงโดยโดยความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นนะ คือมันไม่สมบูรณ์แต่พงค์ยอมรับว่าบุคคลที่มีอัธยาศัยในฌานมีอัธยาศัยที่จะทําในการรู้เห็นสิ่งลึกลับคือมันสงสัยมากว่าผีมีจริงไหมเทวดาความสงสัยอะไรนี้มันมีแล้วก็คนไปฝึกแล้วเห็นจริงออกเขาเลยมามาคลายความสงสัยได้แต่มันไม่พ้นทุกข์อะ่ะเข้าใจไหมพงษ์ก็ยอมรับแต่ไม่ได้ยอมรับความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นของศาสตร์นั้นของสมาธิอวิเพศนั้นการฝึกสติเช่นดูดูจิตนั่นแหละ คือเห็นการเกิดดับในจิตเรียวกดูจิตกลุ่มที่ดูจิตมันก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่ในแค่สร้างสติสัพชัญญะพระองค์ยอมรับเพื่อที่จะเอาอันทิ่ีเนี่ยเข้าไปใส่ให้เขาเขาเรียกว่าต่อยอดให้เขาหมายถึงว่าจะบําเพ็ญฌานมาก็มาได้แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปแม้บําเพ็ญฌานเอาองค์ฌานที่ได้นั้นไปกําหนดรู้ขันห้าเพราะอาสวะขยัสสมาธิหมายถึงว่าสมาธิเป็นไปเพื่อกวามินอาสวะนั้นคือการรู้ขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและเสื่อมสิ้นไปอย่างไรให้รู้เนี่ยพวกบอกเอาตัวเนี้ยเข้าไปประกอบเห็นผีปีศาจแล้วไม่พ้นทุกเอาตัวเนี้ยเข้าไปประกอบเอาอันที่4เนี้ยเข้าไปประกอบไปไปดูรูปนะว่ารูปคืออะไรส่วนแห่งรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาสังขารและวิญญาณคืออะไรรูปเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรคือไปสังเกตลักษณะของมันเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและดับไปอย่างไร สัญญาความทรงจําเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรระดับไปอย่างไรมันเกิดขึ้นในจิตเรานั่นแหละเราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้เรารู้แต่เรามาักจะหลงไปตามอาการของมันแต่เราตั้งใจรู้ที่จะสังเกตดูว่ามันเกิดอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรระดับไปอย่างไรเราจะเห็นเห็น ไ, ไหมความเห็นเนี้ยเป็นสิความเห็นที่โบต้องการคือนั่นคือเห็นกระบวนการเห็นความทุกข์ที่มันจะสืบต่อทุกข์หรือสร้างทุกข์มันอยู่ที่ว่าหากเราไม่เห็นมันจะสร้างทุกข์หากเราเห็นมันก็จะไม่สร้างทุกข์ เพราะมันคือกระบวนการของความทุกข์ถ้าเห็นกระบวนการของทุกข์มันจะไม่เป็นทุกข์แค่นี้เองในความหมายพระเจ้าพวกองค์จะบอกเห็นกระบวนการแห่งทุกข์นั้นคือเห็นทุกข์สิ่งที่มันจะทุกข์เห็นเหตุเหตุมันมีมันมีอะไรมันมีสัญญามันมีเรื่องที่สัญญายกขึ้นมาเป็นมูลเหตุมีหนึ่งมีสัญญามีเรื่องอันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดมาเกิดกับสัญญามีสังขารมีเรื่องที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดสังขาร มีวิญญาณการรับรู้แล้วมาสังเกตว่า er มันเกิดตั้งอยู่ระดับไปอย่างไรนี่คืออาสวัคขยะสมาธิสมาธิที่บุคคลกระทําเนืองเนืองปฏิบัติอยู่เนืองเนืองคือตามเห็นเนืองเนืองคือบ่อยๆบ่อยๆคืออยู่เรื่อยๆเรื่อยๆคืออยู่เป็นประจำคำว่าเป็นประจำคือต้องทําเป็นอาจินคําว่าทําเป็นอาจินคือต้องติดนิสยัยคือรู้เห็นจนเป็นนิสยัยชาวพุทธจะต้องรู้เห็นอาการรูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในจิตของตัวเองจนเป็นนิสัยนั่นถึงจะเป็นชาวพุทธ ไม่ใช่ไปสวดมนต์จนเป็นนิสัยเป็นทางสมาธิจนเป็นนิสัยไปเวียนเทียนจนเป็นนิสัยจุดทูปไหว้พระจนเป็นนิสัยเอาอาหารบูชาพ่อภูมิเทวดาในสารภูมิจนเป็นนิสัยโอมันไกลไกลจากสิ่งที่พูดนี้มากเห็นไหมดูจนเป็นนิสัยจริงๆนะแล้วอาตมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเห็นจนเป็นนิสัยเกิด อ๋อนี่คือรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ๋อนี่คือเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นจนเป็นนิสัยมันจะอ๋ออ๋ออ๋อไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับกฎไตายรัดในทางธรรมชาติหนึ่งความเปลี่ยนแปลงสองความไม่คงที่ความไม่คงทน ท, นทาน้าวบอลสความแตกสลายจะเห็น3ตัวนี้อ๋อมันก่อเกิดตัวขึ้นมาแล้วมันก็แปรป ว, วนไปแล้วมันก็สลายตัวอ๋อก่อตัวขึ้นมาแปรปวนไปสลายตัวก่อตัวขึ้นมาแปรปวนไปสลายตัวเห็นอย่างนี้บมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันจะคาายยกรึดถือ ในอารมณ์ทั้งป่วงมันก็แค่ปลอตัวขึ้นมาคลายตัวสไลดยไปเอาอะไรกับมันตั้งมากมายไปตีโพยตีพายอะไรกับมันตั้งมากมายไปหวั่นวิตกอะไรกับมันตั้งแต่ก่อนนี้ไปหวั่นวิตกอะไรนักหนาทำไมไปกลัวผีที่จะหลอกไปกลัวผีจะบีบคอไปกลัวอันนั้นจะให้โทษทําผิดผีทําผิดบ้านเมืองทําผิดขนมทำเนียมประเพณีทําผิดการเส้นสวงเจ้าพ่อเจ้าแม่ แปลกก็มันกไ็ไม่ตายเพราะสิ่งเหล่านั้นแต่เราจะได้ปัญญามีความแปลกอาตมาก็แปลกในสายตาของพระรูปอื่นแปลกครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอาตมานี้แปลกและวครูบาอาจารย์ของอาตมาเองก็บอกว่าอาตมานี้ไปรุนแรงเกินไปท่านบอกว่าไปรุนแรงเกินไปคำว่าไปรุนแรงคือทำอะไรแบบรุนแรงแบบตัดขาดเด็ดขาดทุกเทะ เ, เ, เกินไป จริงๆไม่ใช่ตัดขาดเด็ดขาดชุวยอะไรเกินไปนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มองเราอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคืออาตมาเป็นคนที่ดื้อในสายตาครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เริ่มอยู่กับท่านแล้วดื้อในความรู้สึกที่ครูบาอาจารย์ท่านมองและอยู่กับท่านดื้อเพราะอะไรเพราะกล้าที่จะเถียงครูบาอาจารย์ในพระที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครกล้าที่จะเถียงครูบาอาจารย์อาตมากล้าเถียงก็คือมันนิสัยไม่ดีของอาตมาเองข้าว่านิสัยไม่ดีมันเกิดจากความสงสัย เมื่อเราสงสัยแล้วเราไม่ได้รับคําตอบเราก็ต้องถามแต่การถามมันเป็นฐานแบบตอบโต้โต้ตอบกันโดยที่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ยอมตอบในสิ่งที่เราต้องการมีแต่บอกว่ามาถามทําไมก็มันสงสัยมาสงสัยอะไรกันเรื่องนี้นี <Yeah. S 2> ก็มันไม่รู้กันเลยสงสัยครูบาอาจารย์ก็ภาวนาไปเดี๋ยวก็รู้เองเราก็ภาวนามาจนเราเกิดความรู้พราะเราเกิดความรู้ แล้วเราก็เข้าใจในสิ่งที่เรารู้ด้วยนะถ้าเข้าใจตรงกับหลักคําสอนด้วยแล้วเราก็ทําตามถิ่งสิ่งที่เรารู้แล้วเข้าใจก็บอกว่าเราทํารุนแรงไปประมาณเงี้ยโอนอ่อนผ่อนผันต่อโลกบ้างประมาณเงี้ยท่านว่าสวดมนต์ก็ไม่สวดให้เขาให้พรก็ไม่ได้ให้พรเขาเวลาฉันอาหารก็ไม่ยอมให้พรโยมทําไมไม่ให้พรโยมมันก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าอันที่สวดให้พรโยมเป็นคําสวด เพื่อให้พรหรือคําสวดเพื่ออะไรอาตามาก็อธิบายให้โยมฟังว่าคําสวดนั้นคือคําสวดอะไรว่าเป็นคําสวดที่นํามาเป็นคําสอนที่พงรงศงสอนไว้แต่ว่าพระเอามาสวดเพื่อให้โยมได้รู้ในหลักคําสอนแต่เนื่องจากว่าโยมไม่เข้าใจในหลักคําสอนที่พระสวดโยมจึงเข้าใจว่าพระให้พอรอภิวาดรนะสีลิสนิตจังวุ ธ, ธาปจายโนจาตารวัฏนติอายุวรนโนสุขังพระลัง โยมบ้ายัางไงสาธุกันท่วนหน้าแล้วอันพระสวดไปเมื่อกี้ที่เราสาธุท่วนหน้านะ่ะพระว่าอะไร <c oughs> ไม่รู้โนโนก็ไม่รู้อายุวันโน <c oughs> ก็ไม่รู้ขอขอให้ท่านสุขังพลังเมื่อไหร่ก็จบสาธุ <c oughs> เป็นคำสอนที่พระบอกว่ า, วาบุคคลผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดย่อมเจริญด้วยอายุนั่นหมายถึงว่าพระองค์สอนให้พวกเรากราบ บุคคลพูดถึงความเจริญอยู่เป็นนิดบิดามารดาปู่ย่าตายายน้องใ้พี่เนี่ยเข้าใจไหมพี่น้องน่ยพี่พี่อะไรไหว้ไหว้ปู่ไหว้ย่าไหว้ตาไหว้ยายไหว้ป้าไหว้น้าไหว้อาไหว้ครูบาอาจารย์เคารพต่อครูบาอาจารย์ไหว้สารพ่อภูมิแต่ก้าวแล้วต่อครูอาจารย์ดีไหมไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่แต่เถียงพ่อแม่ดีไหม แต่บางเรื่องก็น่าเถียงถ้าเรื่องนั้นมันไม่ถูกก็เถียงอยู่แต่ก็อย่าไปเถียงอะ่ะจะไม่ถูกยังไงก็ไม่ควรเถียงพูดดีๆก็ควรจะพูดไงไหว้พ่อพรมแต่ไม่ยอมไหว้พ่อแม่ไม่ยอมไหว้ปู่ย่าตายายมันมันมันแ ส, แสดงความเคารพผิดที่อภิวาทผิดอะ่ะอภิวาทธนาสีฤทผิดผิดไหว้สัตว์พิการ แต่ไม่ไหายพี่น้องด้วยกันน้องไม่ไหวยพี่ไม่เคารพลุงป้านะอาญาตพี่น้องขนข้างเคียงมันไม่มีประโยชน์มันไม่เจริญใช่ไหมขนาดคนที่เข้าไปอยู่ในคุกใหม่ๆไอเจ้าพ่อคุกอยู่ในคุกมันบอกมึงต้องไหว้กูถ้ามึงไม่ไหว้กูมึงอยู่ไม่เป็นสุขแน่ไอเข้าไปใหม่ว่ายทีนี้ชูเป็นสุขอันไอใครไม่ว่ายนะมึงเอออยู่ยากอายุไม่ยืนอะ ไม่วันหน้า พ, อพอไม่พรอใสใช่ไหมตารวจรุ่นน้องต้องไม่รุ่นพี่ต้องเคารพรุ่นพี่ทหารหากผู้มียดน้อยไม่เคารพรุ่นพี่เป็นยังไงโดนอายุไม่ยืนเห็นไหมที่เขาทำโทษกันอะ่ะออกออนไลน์ออกอะไรที่เขามีให้เห็นโดนพาะอะไรไม่เคารพรุ่นมึงกลาแเล่าเหรอเห็นไหมผู้ย้าสอนอะไร สอนความปลอดภัยในชีวิตของคนว่าคนจะปลอดภัยยังไงและจะอายุยืนยังไงจริงๆน้าไหวพ่อไหวแม่อายุยืนจริงๆนะมีธรรมปาละเรื่องในพระไตรปิฎกนี่แหละเรื่องธรรมปาละเขาจะเป็นคนคอยเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพพ่อเคารพแม่เคารพปู่ย่าตายายเคารพพี่นะเคารพเนี่ยในในบุคคลนี่แหละเคารพปู่บาอาจารย์ที่นี้เขา ทำอย่างนี้มาเป็นสิบสรุ่นแล้วจนมาถึงรุ่นของทรมาปาละเนี่เป็นเป็นรุ่นของลูกชายทีนี้ก็ส่งลูกชายไปเรียนพอส่งลูกชายไปเรียนลูกชายเนี่เป็นคนที่ฝึกปลูกฝังในเรื่องของการเคารพในสิ่งที่ดีมาก่อนเนื้อถูกปลูกฝังมาเรื่อยเรื่อยมีคนได้รับทราบมาว่าตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลที่เคารพไม่เคารพเส้นส้วงไหวอย่างอื่นนะเขาพาไหวผีก็ไม่ไหวเขาพาไหว้ ต้นไม้ใหญ่ๆที่เป็นต้นมีเจ้าป่าอะไรเขาเขาไม่ไหวเพราะเขาบอกเขาตระ ก, กูลเขาไม่ได้สอนมาอย่างนั้นเขสอนให้เขาไหว้แต่บรรพบุรุษอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่บรรพบรุษที่ตายไปแล้วนะแบบชาวจีนในะนั้นไม่ใช่อันนี้บรรพบรุษที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เมื่อไม่ไหวไอ้ธรรมปาราเขาก็เลยบอกเอ๊ะไอ้นี้ทําไมไม่ไหวเพราตระ ก, กูลไม่สอนมาแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการที่ตระ ก, กูลสอนมาอย่างนี้เขาบอกคนที่ไหว้อย่างนี้จับไม่ตายก่อนใบอันควรทีนี้เขาก็เลยต้องการที่จะ ทดลองว่าไม่ตายจริงหรือเขาวางแผนที่จะฆ่าค่าธรรมปาลแล้วจะวางแผนฆ่ายังไงก็ตามเด็กคนนี้รอดพ้นจากภัยแห่งการถูกฆ่ามาตลอดแต่ที่นี้เขาก็เลยต้องการประสงค์จะทดลองพ่อของเด็กคนนี้ด้วยในระหว่างทางก็ส่งกลับมาบ้านนะเรียนจบการศึกษาเสร็จก็ส่งกลับมาบ้านแล้วแต่ว่าส่งคนมาก่อนแล้วมาแจ้งต่อพ่อว่ า, วาลูกชายของท่า น, นเสียชีวิตในระหว่างทาง พ่อแทนที่จะเสียใจได้ยินข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตในระหว่างทางพ่อหูเราะค่อยเป็นไปไม่ได้เอ้าทำไมจะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้หรอกลูกเรารักษาขนบธรรมเนียมของตระกูลมาโดยตลอดไม่เคยมีตระกูลเนี้ยไม่เคยมีใครตายก่อนใบอันควรมาสิบชั่วอายุคนแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายเราจะตายนอกเสียจากว่ามันไม่รักษาขนบธรรมเนียมของต้นตระกูลมาคือไม่ไม่เคารพพ่อแม่ผู้ใหญตายาย หรือไปไหว้สิ่งอย่างอื่นอย่างเงี้ยเป็นไปไมาได้นะเขาก็เลยบอกเอากระดู ก, กระดูคนอื่นที่ตายมามาโชว์ไงหอผ้าขาวนี่ยกระดูกนี่ว่าก็โลกเฮ้ยไม่ใช่อะ่ะพ่อบอกไม่ใช่อะ่ะมาหลอกแล้วลูกกูไม่ไม่มีทาง้ายหรอกพ่อเชื่ออย่างงั้นเขาจะเอาทุกอิงเอาเครื่องประดับเอาเสื้อผ้าเอาอะไรก็ตามมาล่อลองที่เสื้อของลูกเจ้า เ, เสื้อเสื้อลูกเราจริงเครื่องประดับของลูกเราจริง แต่ลูกเราไม่มีทางตายก่อนใบอันควรยืนยันยืนยันอย่างนั้นเชื่อชัดเชื่อชัดมั่นใจมั่นใจเห็นไหมเขาประพฤติทำด้วยความมั่นใจเชื่อมัน่นเขาไม่ไปลูกตายแล้วกูจะไปไหว้สารไหว้นวลไหวน้นี่หรือลูกประสบอุบัติเหตุพระเจ้าพ่อทําเจ้าแม่ทํามำต้องไปไหว้เป็นเส้นสวงไม่สุดท้ายลูกก็กลับมาบ้านโดยปลอดภัย กูว่าแล้วไม่ตายวะพอก็ว่าธรรมาปาละนี่นั่าจะอยู่ในเรื่องเนี้เห็นไหมเรื่องการเคารพบาป้โพงศจึงบอกว่าอภิวาทนาศิลิสนิจจังการไหว้สิ่งที่เป็นความเจริญในชีวิตเป็นบุคคลผู้เข้าถึงความเจริญหากเรามีการไหว้ปกติสิศิลิสนิจังนิจจ์คือเป็นนิจย่อมเจริญด้วยอายุวรณสุขาภะละอันนี้พอจะตายก็ไม่ตายนะเี่ยเอาจริงๆมันมีช่วงของชีวิตที่ จะตายนะด้วยอาพาธความเจ็บป่วยในป่าก็ไม่ตายกราบไหว้อะไรกราบไหว้พระรัตนตรัยแม้ในป่านั้นจะไม่มีพระพุทธรูปเราเลื่อยขึ้นมาข้าพเจ้ากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอัปเสรของข้าพเจ้ากราบลงไปข้าพเจ้ากราบไหว้พระธรรมคือตั้งจิตระลึกนะพระธรรมเป็นที่พึ่งอัประเสริฐของข้าพเจ้ากราบลงไปข้าพเจ้ากราบไหว้พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัประเสรของข้าพเจ้ากราบทําอย่างเนี้ยอยู่เป็นนิจ พอจะตายก็ไม่ตายแต่ตายไหมตายตายวันไหนไม่รู้แต่ตายแน่ทุกคนต้องตายนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นบทสวดไม่ใช่คำให้พรแต่เป็นคำสอนอัตมาก็เลยอธิบายว่าแล้วท่านไม่ให้พรโยมบ้างเหรอการที่โยมมาทำบุญแล้วมาถวายทาน กับพระภิกษุพรอันประเสริฐเกิดขึ้นแล้วกับโยมจะต้องให้อัตมาให้พรทำไมอีกการให้มันไม่ใช่พรเป็นการกล่าวคําที่ดีต่อกันเขาเรียกว่าสัมโมทนียกถาแต่พรนั้นคือสิ่งที่ประเสริฐที่เราได้ทำคือการได้ทําบุญให้ทานเนี่ยมันเป็นพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในตัวโยมในขณะที่โยมได้ทําแล้วสําเร็จเป็นพรแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาให้กันอีกแล้วเป็นพรอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นพรที่ ให้ผลสำเร็จในตัวเองเรียบร้อยแล้วจะมาให้กันอีกทำไมเพราะฉะนั้นการสวดให้พรนับว่าเป็นความงมงายอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นเขาก็งมงายกันทั้งสำนักสิอาตมาไม่ได้ว่าไปทั้งสำนักอาตมาพูดเฉพาะคนที่ใช้ด้วยความงมงายในแต่ละสานักท่านอาจจะพยายามสอนแต่ด้วยสอนด้วยภาษาที่สืบเนื่องกันมา ที่ยึดถือตามครูบาอาจารย์มาเนี่ยไม่อยากจะทําให้ผิดจากหลักครูบาอาจารย์ท่านอาจจะทําอย่างนั้นแต่ไม่ได้ทําไปเพื่อความงงายก็มีแต่ตมาจะไม่ทําอย่างนั้นก็บอกถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ยึดถือตามครูอาจารย์สิครูบาอาจารย์พาทามาสายปฏิบัติสายบุญกรรมฐานพาทำมาพระพุทธเจ้าชวนพระมหากะัะสะไปฉันอาหารพัฒฐารในบ้าน ผ้าหากัะสปะไม่ยอมไปกับผู้ด้เจ้าไม่ยอมทำตามพระผู้ไดเจ้าแสดงว่าระมหากระสปะไม่ยอมเชื่อผู้ได้เจ้าสิเนี่ยต้องคิดผูด้เจ้าจนถามว่าทำไมมหากัสปะเธอทำไมไม่เข้ามาชันพัตหารในหมู่บ้านกับเราข้าพระองค์ต้องการทำเพื่อกุลบุตรผู้อยู่ในภายหลังไม่เห็นเป็นผู้มากมากในอาหารพระเจ้าค่า ตะเวนไปบ้านนั้นตะเวนไปบ้านนี้ไปติดนิมล์ฉันบ้านนั้นติดนิมล์ฉันบ้านนี้อย่างเงี้ยอาตามาเองก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะรับนิมต์ไปได้ทุกที่พิจารณาแล้วว่าควรไปจึงไปด้วยมูลเหตุไม่ได้เป็นมูลเหตุเพื่ออยากจะไปสะแสวงหาอาหารแต่เป็นมูลเหตุเพื่อจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ อ, อะไรบางอย่างจึงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทําทีนี้ สมาธิสี่ประเภทเข้าใจชัดนะทบทวนหนึ่งหนึ่งทิฏฐ ธ, ธรรมะสุขาวิหาทิฏฐ ธ, ธรรมะสุขาวิหาระสมาธิใช่ไหยคือจำพวกทำฌานสองญาณทัศนปฏิลาภาสมาธิสมาธิเพื่อเห็นสิ่งลี้ลับลึกลับให้เกิดความรู้ความเห็นสามสติสัพปชัญญะสมาธิ 4. อาสวัคยะสมาธิอาสวัคยะสมาธินี้หากไม่ทำ สมาธิสามอันแรกทําอันสุดท้ายเลยได้ไหมได้เพราะฉะนั้นอันสีอันข้างอันอันสามอันข้างข้างต้นเนี่ยอันแรกที่ ท, ที่ไล่มาเนี่ยจําเป็นทําหรือไม่จําเป็นทําจําเป็นที่จะต้องทําหรือไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็ได้ใช่ไหมล่ะไม่จําเป็นก็ได้เมื่อไม่จําเป็นก็ได้ทําอันที่สีเลยมันก็เป็นการทําอะไรเอาซว่ให้สิ้นแล้วฉะนั้นการที่พูดว่าการสวดมน เป็นการทำให้เกิดสมาธิเป็นสมาธิในพุทธศาสนาไหมไม่ใช่เพราะไม่ใช่อาสวะคขยัสมาธิเนี่ยจะให้ว่ายังไงทั้งหมดที่พูดเพื่อดึงออกจากความรู้สึกเดิมๆที่ฝังแน่นโดยความเข้าใจมาตามลากฐานของประเพณีและค่านิยมทางสังคมที่กระทากันในหมู่ชนชาวพุทธทั้งหลาย ว่าถูกต้องและดีดึงออกจากราักฐานพวกนี้เพื่อให้มาเข้าสู่ประเด็นของสัจจคตหลักแห่งความจริงที่มีเหตุผลรองรับหลักของประเพณีข้านิยมไม่มีเหตุผลรองรับแต่มีขนบธรรมเนียมอันดีงามรองรับเขาบอกขนบธรรมเนียมอันดีงามอันดีงามก็ดีงามตามสังคมไม่ได้ดีงามตามหลักคาสอนรองรับเขาก็รองรับอย่างนั้นแต่หลักคำสอนนี้มีสัจจคและเหตุผลรองรับคือความจริงคิดกันว่า ควรจะทำและจะเดินกันไอยังไงคือกลุ่มพวกเรารู้กันอยู่แล้วแหละแต่ที่ถามมาหมายถึงว่าข้ออ้างจากที่อื่นที่เขาใช้อ้างกันแต่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปไปทำตามเขาอยู่แล้วเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรกลุ่มที่เอ็นกัน ฟังกันอยู่นะเออฟังจ้าขอระยะหนะครับฮะได้ได้ไปซื้อของมันเป็นวันแฮปปี้เบลดยืนแฮปปี้เบลดยังโ้ค่ะ้หหั่ทำไมต้องเขกหัวมันถือถือขังอะไรต้องเขกหัว เป่าหัวเ ค, คหัวนี่ถือขังอะไรอย่าถือผิดนะกราบไหว้สิ่งที่จเจริญเนี่ยก็สุดยอดเลยโดยสุดยอดแล้ ว, ล ว, ลวต่ออายุเนี่ยเป็นการต่ออายุที่ง่ายๆแล้วก็ไหวแม่ไหวพ่ อ, อ, อไหวพี่เยี่ยมสุดยอดแล้วก็ผัาจาน <c oughs> ไปซื้อของให้พี่ใชเหรอดีดีดีจ ด, <c oughs> ดีมาขออนโมซนา <c oughs> เปิดอ๋อมาไปกันหมดนะงั้น ก, นก็ยุติตัวนี้นะทีนี้ <c oughs> ขอใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เด้อ <c oughs> น้ำพนมพรมาแล้ว